ขอนี้พูดแต่จีวอลข้อนี้ก็จบแล้วนะคแค่นี้ต่อไปข้อเก้านี่ยคล้ายๆกับข้อแปนะครับคล้ายๆเหมือนมาหาเพพยงแต่ว่าข้อเก้านี่พูดถึงพิสูจไปจัดแจงโยสองคนเพื่อเองข้อนี้จัดแจงโยงคนเดียวนะครับข้อเก้านี่จัดแจงยงสองคนแต่มันแค่นี้นะครับลอามาดูคำบรอยายหน้าเท่าไรคำเดียวข้อเก้าข้อที่เก้าเก้าเนยนะใ ซาสมัครแรกเปลี่ยนจีวรวเป็นคนละเจ้าอันพ่อเจ้าเรียนก็ดีแม่เจ้าเยนก็ดีผู้ไม่ใช่ยากทั้งสองเจ้าได้จัดเตรียมไว้แล้วเพื่อพิสูจน้วยที่ว่าพวกเราซื้อจีวรด้วยซาบสมัครแรกเปลี่ยนจีวรเหล่านี้แล้วจับถวายแก่พิสูจชื่อนี้ถ้าว่าพิสูจรูปนั้นเป็นผู้ที่เขาไม่ได้ภาวนาไว้ก่อน ความอย่างน้าของดีจึงเข้ากรยังที่อยู่ของพ่อเจ้าเรือหรือแม่เจ้าเรือเหล่านันะ้นและถึงตามจัดแจงในจีวรเพื่ในอย่างนี้ว่าท่้นทางยกทั้งหลายขอให้ท่้นทั้งหลายจงรวมกันเป็นหนึ่งแล้วซื้อจีวรชนิดนี้ชนิดนี้ด้วยทราบมาแลกเปลี่ยนจีวรเหล่านี้แล้วจงถวายแต่เรา ต้องอาบัตปาจิตตีที่มีการเสียสลับเป็นวิ น, นัยกรรมอันนี้อย่างนี้นะมันแตงข้อมันเล็กนิดเดียวว่ามีเจ้าพราสองคนนะครับเขาเตรียมสร้างไว้เพื่อจะถวายนะคะเตรียมสร้างไว้น่เพื่อจะไปหาจีวรมาถวายพระพอดีเท่าสองคนก็ไม่ใช่ยากนะก็ไม่ใช่ปรวรณ์นะเนี่นะ ปริญญาคนนี้รู้เข้าก็เข้าไป จ, จัดแจงเหมือนเดิมนะครับแค่ไป จ, จัดแจงให้เข้าถวายจีวรอย่างนี้ที่มันดีกว่านะหรือแม้แต่ว่า จ, าจัดแจงให้เข้าสองคนรวมกันเป็นหนึ่งเพราะว่าถ้าแต่ละเจ้าใช่ไหมเป็นซื้อจีวรมาคนละผืนเนาะมันก็ได้จีวรไม่ดีเท่าไ ห, หร่ใช่ไหมครับถ้าสองคนรวมกันนะซ้ำก็จะเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันสามมหาชีวรที่ดีดีกว่านี้ได้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไนะแม้เามาไมยไดเพิ่มมูลค่า แต่ว่าไปจัดแจ้งเข้ามันรวมกันนะครับในนี้ก็ไม่ได้นครับนี้เราจะเขาตั้งจำเป็นอย่างนี้ก็ต้องตานั้นนะครับอันนี้นะที่เหลือก็จะเหมือนกับสินค้าประกอบนครับตายแค่นี้ลอมาดูลองดูดูยังยังนีต้นแบบเสนอครับ ต้นมัหญ่ก็มาจากเท่าปนนท์แล้บุตรเดิมแหละเรื่องเท่าปนันทภาษากัญาบุตรโดยสมัยนั้นพุทธภาคพระเจ้าประทับอยู่นักพระเศวตวันอารามของ น, าานัทมวิติกาข้ามบริเกตพั้นครสามัคคีครั้งนั้นบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวคํานี้กะบุรุษผู้หนึ่งว่าเนี่ยไม่ได้พูดกับภรรยาเลยไอเป็นเพื่อนกันนั่นก็เลยคุยกับเพื่อนนี้นะครับว่าผมจะยังท่านเท่าปนันทให้ของจีวร แม้บุษรอีกผู้หนึ่งนั้นก็กล่าวอย่างนี้ว่าแม้ผมก็จะยังท่านผ้าปนันทะให้ครองกีวอดพิสูรรูปหนึ่งพิสูรรูปหนึ่งท่านถือการเที่ยบบินบาเป็นว่ า, าได้ยีถ้อยคําพ่เจรจากันนี้ของบุรุษทั้งสองนั้นจึงเข้าไปหาท่านผ้าปนันทะสากยะบุตรครั้งแล้วได้กล่าวคำนี้กับท่านผ้องปนันทะสากยะบุตรว่าอาวุโสปนนทะท่านเป็นผู้มีบุญมาก ในสถานที่นู้นมีบุรุษผู้หนึ่งได้กล่าวคานี้กับบุรุษอีกผู้หนึ่งว่าก็ล่าให้ฟังะที่สองคนนั่งคุยกันนะว่าาจะถวายจีว่วรใหท่านก็เลยว่าถ้ามีบุญมากนะโยมทั้งสองคนนะบอกจะถวายจีวอให้ท่านใชครับท่านภพปนันทาก็รับรองนะว่ามีขลับข้าทั้งสองเป็นประทะของผมนี่ประทะเยอะนะครับท่านนั้นท่านภพปนันทาก็เข้าไปหาบุตรทั้งสองนะ แล้วก็สอบถามเขาว่าจริงหรือทั้งหลายถามว่าทั้งสองประสงค์ช่ตะมาคลองจีวอร์เขาลว่าจริงนะเขาได้พูดมาอย่างนั้นท่านผู้เป็ท่านก็จัดแจงเ่าเลยถ้าทั้งทั้งสองประสงค์ช่ตะมาคลองจีวรก็จะให้ครองจีวร์ชนิดนี้เถิดเพราะจีวรทั้งหลายที่อตะมาไม่ใช่และคลองแล้วจะทำอะไรได้เขาก็แพ่งเท่าติดเกมพุทธนาแล้วเาเป็นคนมากๆไม่สำดลดนีนะ ได้ครองจีวรก็ทำไม่ได really uh uh ้ง่ายฉนั้นพระคุณเจ้าปนันท่าอันพวกเราไม่ได้โกรนาไว้ก่อนจึงได้เข้ามาหาและถึงการหลุดในจีวรงแล้วด้วยทั้งหลายผู้มั่งน้อยถึงโดก็เพ่งเท่าอยู่ในบุตนาแล้วก็กลาวคือพระพทเจ้าทรงสอนพระองค์ทรงสงสายทรงสืบเตรียมพวกปนันท่าแล้วก็มีศึษาบนอิทธิมนตมาดูคำพิบายนการขาเลย ท่านก็จะไม่ว่าเยอะแล้วนะเพราะคำที่มาที่เหลือก็มีการเข้าไปครับข้อทีเก้าอธิบายปัจจตสิกขาบทที่สองในสิกขาบทที่เก้าพึงสร้างเนื้อความโดยในยนี้เหมือนกันจริงอยู่สิกขาบทนี้เป็นเหมือนอนุบัญยัติของสิกขาบทก่อนในสิกขาบทก่อนนั้นที่สูตรทำการบังคับชายกคนเดียวเท่านั้น ในสิขาบทนี้บางครับทาง ย, ยกถึงสองคนนี้คือความต่างกันในสองสิขาบทนี้คําที่เหลือทั้งหมดเหมือนกับสิกขาบทก่อง น, นั่นแหละที่เหลืก็เห ม, มเือนโคมาเตียและวิสูบังครบทายยกสองคนฉันใดเมื่อทำการบังครับทายยกหลายคนรับเอาจีวอก็พึงทราบอามบัตฉันนั้นก็เป็นระเบียเหมือนกันและในวิธีการสละ ซึงทร้าบความต่างแห่งคำโดยในาิตนี้ว่าอิธรงเมพันเตจิวรังปุเพยอปวาลิเตอัญญาตะกัดฆ่าปฏิเกอุปสามกมิตวาวิกับปังอปนันสกิยังถ้ามเจริญจีวรของกับผมนี้เป็นจีวรที่ผมเข้าไปขอาการฆ่าบดีทั้งหลายซึ่งไม่ได้โาวนานไว้ก่อนไม่ได้เป็นญาถึงการจัดแจงเป็นของที่จะต้องสนัดใน ของสนามก็อย่างนี้แตกต่างกันจบการที่บารงประกาศสิขาบทที่สองแล้ว<า> <c oughs> นี่นะอาจารย์สุพลท่านเคยบอกว่าความจริงกลางขาเนี่ยไม่ใช่ว่าอ่าสนุกนะเพราะท่านจะที่บาเป็นสับเป็นแสงเป็นสนามบารีใช่ไหมแล้วก่อนไล่ที่บารเป็นแต่ละศัพท์เลยนี่ครับแต่ละศัพบแต่ละสั์เลยนะ คำว่าที่ขงปนีว่าทิศะคำว่าจีวรเจตามนังใช่ไหมว่าอธิบายมาแต่ละศสเลยครับไม่ใช่หนังสือ <sak> ที่อ่านเล่นสนุกนะเรื่องราหอย่างี้ยอย่างนี้ครับถ้าคนที่ไม่มีศรัทธาจริงอ้นเบื่อนะครับเบื่อครับเพราะว่าอะไนะจะรักษาปัจจมาของสังวรถึงได้เนี่ยก็ต้องอาศัยศราของประธาใช่หครับอาัยศรัทธานะ วันนี้เได้ฟังหมายวงนนอาจารย์เทนไฟังใช่ไหมครับประสานกระาโพร่ที่ศรัทาถ้าสัทนหยอมสัทาน้อยต็อรักษาสีหน้าไม่แค่ดีเท่าั้ปกป้องคนน้นข้อนี้นะสินขาดถึงทะลูถสิหนาสินพร้อยเนี่ยเป็นยังไงรปดูในวิถีมารคซะแรัวตอนนั้นครับก็เขากำลังไปกันนะตังขารับตังขาชื่อดี่สมบูรณ์แบบ กรณีที่เนี่ยอาจารย์สัมพันธ์แปให้เนี่ยก็วใช้ได้นะครับเพียงแต่ว่ามันตกล่นบาที่นั่นเองนะดี่เขาพยายามแก้อาจารย์ก็พายามทออกมาให้สมบบะัแล้วก็ใส่ดีกาเข้าไปด้วยแต่ยังไม่ลมากที่สเพราะอาจรย์ไม่เเวลาทครับไม่เคยมีเวลาใช้งานใช่ไหมเหลือแต่แปลแาถานาเดียวครับ กต่ออมแล้ว่ัอวา่าจงมเป็นดีแล้วไม่ตอนนั้นผมก็ได้ขาวว่าพี่้าโอนะจางสมนักจะแปลอาตอนนั้นก็เหมือนกับว่าเขาบอกว่าเ้าลงพิมแล้วมันต้องนานแล้วน่ปีกว่าแล้วัข่ได้คนใกล้ิดว่านัสื่อจริงน่าจะใแปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เข้างพอ๋อค่ะ ว่าติดอะไรใอรขอ copy พวกมาก่อนก็ไม่ได้ก็คงมไม่ย้อนไม่ได้ไมไม่น่าเป็นอย่างนั้นนะคะรับปัจจัยน่าจะดีเพราะสร้างหลังใหญ่ๆได้ไม่รู้เปอะไรนะก็ใ้วันอาเซียนอางตัม้องได้ะครับคุณฟั ง, งวไหก็เอาไป ข้อต่อไปมีสําคัญนะครับใส่ใจให้ดีนะปล่อยไปนะครับที่หน้าหนึ่งวันของสิบของสิบนี่มีการเกียเรืเ่องวัยระ่นวจิการด้วยนะความจริงโยงหน้าจะมาฟังไม่พรานี้โดยเฉพาะโยงสานักนะหน่าจะมาเรียนครับจะได้เข้าใจนะว่าเกีย่ยเป็นวัยรุ่นวจิกาะต้องทําอะไรอย่างไรบ้างลักษณะวัยระ่นวจิการแบบไหนที่ถ้าขอได้ขอไม่ได้ใช่ไหมครับหน่าจะรู้แน่ใสใ่ใจเลยนะ อันนี้ไม่มีแล้วนั่งเขาข้านอืมข้าวก็วันนีก็ไมานี้สุดนี้ไรใหญ่ว่าโยมเยมากรต้องนั่งอ่องข้